สำหรับการแนะนำในการเจริญเป็กรรมฐ า, านในวันนี้ก็จะขอจุดใหญ่สำคัญมาแนะนำบรรดาท่านทั้งหลายก่อนให้ถือว่าคำสอนคราวนี้เป็นคราวในระยะต่อไปนี้เป็นคำสอนมาตรฐานไปจำสำนักเป็นการสอนไปจากันในสำนักของเรา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 มีสี่ราการอิทธิบาทแปลว่าคุณธรรมที่ทําให้สําเร็จความประสงค์ทุกอย่างต้องมีกับท่านทุกท่านอย่าถือว่าไม่ไหวนะคำว่าไม่ไหวคาว่าไม่สามารถจะต้องไม่มีกับสาวกพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ทําไม่ไหวจริงๆแล้วก็ไปเถอะ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 ยังจะมีอารมณ์เสียอยู่อีกนี่มันนั่งอยู่ก็ทําไมไปที่อื่นเสียก็หมดเรื่องหมดราไปตั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่ามีอารมณ์ใจไม่ดีพอถ้ามีอารมณ์ใจไม่ดีพอนี่ก็เลยทําคนอื่นเขาเสียด้วยสําหรับอิธิบาตสี่นี่มีอย่างนี้หนึ่งชันทักความพอใจ คือพอใจในการปฏิบัติความดีสองวิทยะมีความเพียรสามจิตตะมีใจจดจ่ออยู่ในสิ่งนั้นสี่วิมังสาใช้ปัญญาควบคุมอยู่เสมอหมายความว่าใช้ปัญญาควบคุมอารมณ์อยู่ตลอดเวลา นี่ว่าปัญญาในที่นี้ต้องใช้ใครครวนเป็นตัวนําอยู่เสมอที่เรียกกันว่าสัมาธินี่อิธิบาทสี่ข้อที่หนึ่งฉันทะพอใจอะไรพวกเราบวชเข้ามาเพื่ออะไรหรือว่าเข้ามาอยู่ในเขตพระพุทธศาสนาเพื่ออะไร ผมก็อยากข อ, อนําถ้อยคําการขอบรรชาเอาสมัยก่อนเอาสมัยใหม่นี่ผมไม่ค่อยอยากจะคบนักเพราะอะไรอะไรมันใหม่ไปหมดเองผมไม่เคยชอบของใหม่ราคาถูกของเก่าราคาแพงอย่างพระพุทธรูปของเก่าเก่าราคาแพงกับของใหม่มาก <c oughs> นี่การคำขอบรรมชาก็ไม่กันของเก่าและาพาแพงกัของใหม่มีจุดหนึ่งที่ได้กล่าวว่านิพานัสสสิจิกยายะเอตังกาสาวังกเหตวาถึงแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอรับข้ากาสาวาพัฒเพื่อจำทําให้แจ้งเสียงพระนิพพาน นี่เราขอบรรพชามาเรามีความมุ่งหมายอย่างนี้เวลานี้ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนไปบ้างแต่ก็ยังมีถ้อยคำว่าต้องการพระนิพพานอยู่เหมือนกันนี่เป็นอนุว่าคัมภีร์ยานของเราที่เราจะบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเราต้องการอะไรเป็นอนุว่าเราต้องการพระนิพพาน ในเมื่อเราต้องการพระนิพพานแล้วเวลาเราพอใจเราจะพอใจอะไรฉันท่าความพอใจเราก็ต้องพอใจในพระนิพพานนี้การที่จะพอใจในพระนิพพานเนี่ยเขาทำยังไงกันถึงจะถึงพระนิพพานตอนนี้ไปแล้วก็ไปดูคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่จะเข้าถึงบุิพานได้นี่ก็ต้องขุดรากขุดเงาทงกกรรมที่เป็นอกุศลที่ให้หมดได้กระหน่งตัดโลภความโลภออกจากจิตด้วยเมืม่อนด้วยการให้ทานสองขุดความโกรธความเพียรบาทจองร้านจองผลานออกจากจิตเชให้หมด เ้ื่อาัยการสงรา่งโทมวิหารสี่สามตกความหลงออกไปเสียหมดด้วยนัยองบัญญาที่พิจารณาเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่พวงเราเราไม่มีในกายและกายไม่มีในเราเมื่อสรุปรวม ง, ง, ง่ายๆเดี๋ยวก็เรียกว่าเราก็พอใจในในอริยสัจสี่คือเห็นว่าสภาวะของโลกทั้งหมดเป็นทุกข์ เอาใจง่ายชาติพิทุกข้าความเกิดเป็นทุกข์เจราพิทุกข้าความแก่เป็นทุกข์เมินนำพิทุกขังความตายเป็นทุกข์โสกปรีเทวทุกขโทมนัสสบายญาติความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์และความพัดพราดแจกของรักของชอบใจเป็นทุกข์ ความจริงข้อนี้ผมพูดปีหลายสิบครั้งแต่ว่าท่านหลายผู้รับฟังนะ่ะเป็นผู้สูตรบ้างหรือเปล่าเพราอว่าจำไว้ได้ไหมเท่าก็นนำไปคิดนำไปพิจารณาบ้างหรือเปล่าเป็นผู้สูตรแล้วเปล่าเป็นผู้รูดถ้าเป็นผู้รูดมันก็จำอะไรไม่ได้รูดปิดเข้าไว้รูดกลางให้ไหลออก ส่วนที่ให้เข้ารูดปิดซะก่อนมันก็ไม่เข้าส่วนนี้เข้าไปแล้วรูดให้กว้างเทออกมันกเเ็เลยไม่มีอะไรกันนี่ถ้าเป็นพาวสจูจริงๆตั้งใจจริงๆเพื่อความดีเราก็ต้องจำกันให้ได้มันเป็นของไม่อยากแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาดูสิกนิดสิว่าไอ้อะไรที่มันเป็นทุกข์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 แม่ใช้กำลังกายเคลื่อนไหวมากเกินไปเป็นทุกข์อยู่ข้างในมันเหนื่อยทุกเวียงไปเวี่ยงมาแม่เดินแรงๆวิ่งแรงๆนี่มันก็เป็นทุกข์ต่อมาเมื่อร่างกายโตขึ้นมาเมื่อร่างกายโตขึ้นมาแล้วเหยียดขาเหยียดแข้งเหยียดขาไม่ไหวนั่งคุยคู่อ ย, อยู่ในท้องแม่เป็นทุกข์ มันจะเมื่อยก็เมื่อยมันจะปวดก็ปวดผมก็เหยียดไม่ได้มันก็เป็นทุกข์ถ้าไม่เข้าใจว่ามันเป็นทุกข์ว่างๆลงนั่งกอดเขา่าเล่นโกโก้ถึงสามชมั่วโมงแบบคนที่อยู่ในท้องนั่งคุกคู้เอาเขายันขึ้นมาทั้อกเอาแขนรัดเขาไว้อย่างนี้ลงนั่งพิจารณาดูแลอยู่ในท้องแม่เป็นเดือนเดือนแบบนี้มันจะทุกข์ขนาดไหน เราจะมีทุกขเวทนาใดๆท่านผู้เป็นแม่ก็ไม่ทราบเด็กที่ต้องตายในท้องจะนับไม่ถวนเพราะว่ามันดาบิดดามองไม่เห็นทุกขของลูกภายในว่าจะมีลูกภายไข้เจ็บอะไรบ้างนี่ขณะที่เกิดมันทั้งในมันไปทุกขทามองไม่เห็นออกมาจากคันมานดาขณะที่อยู่ในคันมานดานี่มันก็ทุกข ออกมาแล้วอยู่ในคันมันดาและความอบอุ่นจากไฟธาตุของร่างกายมันดาออกมากระทบกับอากาศไปใหม่คือการแสบตัวเสียงร้องจ้าปรายกฏนั่นแสดงว่ามันทุกข์หนักเจ็บแสบทั้งตัวไม่ก็เป็นทุกข์พะออกมาเป็นเด็กขี่ตรงนั้นเหยียวตรงนั้น มันเลอะเทอไปหมดเด็กก็มีความรู้สึกเหมือนกับคนธรรมดาอาการสุกับโรคโซโคอย่างนั้นมันทนไม่ไหวจึงได้ร้องออกมาแสดงถึงความทุกข์ถ้าจะหิวอาหารต้องการจะกินอาหารแม่ก็ยังไม่รู้จะต้องร้องออกมาแล้วคนจะรู้ว่าหิวมันหิวจนทนไม่ไหวจริงต้องร้องนี่มันก็เป็นการของความทุกข์รวมความว่าเกิดเป็นทุกข์ เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วหาอะไรเป็นสุขไม่ได้ร้อารมณ์สันส้นๆแปลว่าความหิวความกระหายทุกวันนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความป่วยไขย้ไม่สมบายทุกวันที่ปรายกฏมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์บางครั้งมีความปรารถนาไม่สมหวังมันมีความสุขหรือความทุกข์การปวดอุจจาระปัสสาวะมันสุขหรือมันทุกข์ ไม่ไทุกข์ถ้ามันจะตายขึ้นมาล่ะมันสุขหรือมันทุกข์นี่ถ้าคนนั่งคิดเอากัไปตามความเป็นจริงใช้ปัญญานิดเดียวนี่มันก็เห็นมาทุกข์ถ้าคนมีตากระทูหูกระทะเท่านั้นเป็นพวกพหูรูดไม่ใช่พหูสูตรตาพระพหูสูตรแล้วก็เขารู้ทุกข์กันมานานแล้ว นี่เมื่อทุกไม่เกิดขึ้นมาอย่างนี้จะต้องพัฒนาเวลานี้ให้มันหมดมันเกินเวลาแล้วก็ไม่มีความจําเป็นทุกคนมันมีทุกอยู่แล้วถ้าใช้ปัญญานิดเดียวก็มองเห็นนี่ก็เป็นนั่งว่าทุกข์มันมาจากไหนนี่เราพอใจมองความทุกข์ชันทะทุกข์มันก็มาจากความอยากที่เรียกกันว่าตันหาอยากอะไรอยากรัก ในเพื่อนในเพศตรงกันข้ามอยากรวยอยากโลดอยากหลงว่านั่นเป็นของกูนี่เป็นของกูนั่นมันทุกอย่างทุกทุกเสียง ท, ท, ทุกอย่างเป็นของกูไปหมดนี่อาศัยความอยากที่กล่าวมานี่แล้วมันเป็นปัจจัยให้เกิดเพราะว่ายังติดความอยากอ ย, กอยู่เพียงใดเราก็ต้องเกิดมาหาความทุก ในเมื่อเรามีความอยากอยู่มันทุกข์เรายังขืนอยากต่อไปเราก็หาความสุขไม่ได้ตอนนี้ทำยังไงก็หาทางทำลายความทุกข์ทำลายเหตุงความทุกข์คือความอยากไอหนึ่งอยากรักแม่ทำลายอยากเหลือเกินอยากรวย มันอยากมาเสนานแล้วทำลายยากได้อยากโกรธอยากเพยาบาทัททำลายยากอยากหลงว่านั่นเป็นของเรานี่เป็นของเราทำลายยากทำไมจีว่ายากเพราะมันติดใจมานานแล้วโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งถ้าเกิดขึ้นมาแล้วพ่อแม่ผู้ย่าตายายนี่แหละสําคัญนะัก ส่งเสริมให้ลูกหลานทั้งหลายสร้างความทุกข์อยู่ตลอดเวลาตั้งนี้พ่อใดก็พูว่าพอลูกเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาเถอะอยากจะหาคู่ครองให้ลูกมันจะได้เป็นฝั่งเป็นฝาไม่เสียแต่ไปถามตัวเองว่าการมีลูกมีหลานมาเป็นปสุขเป็นทุกข์บอกโอ้ยทุกข์เลยเกินจะ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 ไอ้ตัวเองเนี่ยสร้างพบความทุกข์มาแล้วแล้วคนอื่นมันกระทบมันประสบเหตุอย่างไรล้วนั่นเข้ามันจะเป็นความสุขตรงไหนนี่นี่ครูใหญ่มันอยู่ใกล้แบบนี้มันยังละยากใครแหละก็พ่อก็แม่นั่นแหละเป็นตัวสำคัญมากในตัวโลบโมโทสันนี่เหมือมันเหมือนกันท่านพ่อท่านแม่นั่นแหละเป็นครูที่ดีที่สุด จังให้แต่เกียร์แต่กายโลคโมโทสันไม่มีจังหวัดถ้าหากินได้สมาชีวะพระพุทธเจ้าไม่วา่าสอนให้โกงเขาบ้างให้ยืดย่งทรัพย์สินเ้าบ้างให้ยักย่อเขาบ้างนี่พระพุทธเจ้าทรงทำนี้ว่าเป็นความโลภข้อสําคัญก็อยู่ที่พ่อแม่เนี่ยสำคัญแต่พ่อดีแม่ดีแล้วลูกมันเสียไม่ได้ให้ลูกเดียวเสียได้เพราะพ่อไม่ดีแม่ไม่ดี ม, ม, ดมา ตอนเด็กๆตามใจกันเกินไปเอาลูกไว้ไม่ได้แล้วก็มานั่งเป็นทุกข์ในความโกรธความพยายามบัตนี่ก็ไม่กันคบค่าสมาคมกันมานานผู้ใหญ่เม่จะสอนเด็กเสมอให้จําไว้ว่าใครเขาทาไม่ถูกใจคิดแก้มือคิดถักล้างให้ได้ น, นี่ก็อาศัยผู้ใหญ่ไม่ดีสอนให้เด็กเสือและนี้เราก็เลยเสียไปเด็กมันก็ถอนไม่ออก ในการจำมันนั่นของเรานี่ของเราหน้นของเราคนแก่แสนยาแก่หนังเหี่ยวหนังย่นเคยไม่เคยคิดว่าตนจะตายยังคิดห่วงใยสองรูกสองหลานมันนั่นของกูหนี่ของกูนั่นของกูแบบนี้ไม่เป็นเรื่องเนี่ยตัวไอจา์ใหญ่มันอยู่ในบ้านนี่เราจะมาต่อต้านกับอารมณ์แบบนี้มันก็ต้องหนักหน่อย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 ทำอย่างไรหนอเราจรึงจะตัดความหลงเส้นได้ร้อยตัวทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ในอริยสัจ ต, ต่อมาแล้วก็นั่งพิจรารณาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสุธมสวัสด์ว่าท่านแนะนำว่าอย่างไรวอ๋อการจะตัดความรักในเพศหรือ ก็ตรงช่างใช้กายกตานุปติกรรมฐานก็อสุภกรรมฐานดีเข้าประหัตประหารมันไม่ช้าความรักในเพศมันก็สลายตัวเพราะปัญญาไม่เกิดรู้ความเป็นจริงเราจะตัดความโลภโมโทสันก็ใช้เมตตาคุณาต่อสการมีการให้ฐานเป็นการผลักดันความโลภให้ออกไป เราจะทำลายความโกรธความย่บาย่เขาแนบหนา้าพรหมวิหารสี่เราจะเป็นผู้ไม่ยึดถือเนี่เราจะมีเป็นผู้มีปัญญาเข้าใจตามความเป็นจริงว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอันนี้องส์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พิจารณาดูาร่างกายมันเชื่อเราบ้างไหมเราเลี้ยงมันเท่าไหร่แนะนํามันเท่าไหร่มันไม่เคยเชื่อ นี่ตัวนี้จะทำลายมันได้ละมันมันก็มีกำลังต่อต้านมากก็ต้องใช้วิทยาความเพียงค่อยเคาะปีิเล็กเคาะปแล้วน้อยไม่ใช่ว่าจะมาทำกันทีเดียวหมดวันนี้ยังไม่เคาะนะเพราะววันเริ่มต้นให้รู้จักใช้ที่บาดสี ต่มาองค์สมเด็จพระมหาวันีตรัสว่าจะให้มีผลจริงๆต้องเอาใจเข้าไปจดจ่อในเรื่องนั้นไว้เสมอคือจิตต์เหมือนกับที่อธิบายไว้ในพระธรรมบทสดวันนี้ว่าคําภาวนาหรือว่าพิจรารณาเนี่ยยาบรลอยให้ว่างจากอารมณ์ของจิตคืออย่าให้จิตมันว่างถ้าจิตมันว่างจากภาระกิจการงานอย่างอื่นแล้วก็ภาวนาไว้พิจารณาไว้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 ชอบใจอะไรเอาได้หมดเพราะว่าคราวนี้เราจะสอนมหาธิปฐานกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะเริ่มไปด้ว้มหาปฏิปฐานาสูตรแบบพิสดารแลวก็จะสอนกันไว้ประเภทเป็นมาตรฐานประจำสานักต่อไปก็ใช้มหาปฏิปฐานนสูตรเป็นปกติและความจริงตอนเช้ามืด ท่านเจน้าที่ฝ่ายส่งเสียงควรจะใช้ปฏิบัติภาริยะคือประสูดาบันกับเบรารมีสิบระการบนตอนเช้าหมดไว้ก็จะมีประโยชน์แล้วก็สีลกับอย่างอื่นบ้างเป็นการทบทวนกำลังใจเพื่อบรรดาท่านผู้รับฟังที่ได้กำหนดถูกในเมื่อเราใช้จิตใจจดจ่ออยู่อย่างนี้หาก็าจะบอกว่ายากคุณจะตอบว่าไม่ยาก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 นว่าจะใช่ฉันทะความรักความพอใจวิทยะความเพียรจิตใจใจ จ, จิตจิตตะเอาจิตใจไปจดจ่อตอนนี้ก็ต้องใช้ปัญญาเบ็นงเครื่องพิจารณาพิจารณาวัเสมอว่าสิ่งที่เราจะทำอย่างนี้การพอใจอย่างนี้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 ลงเอาเวจีมหานรกกันแน่เพราะอยู่ในเขตปูชนียาบุคคลนี่ในเขตปูชนียสถานชาว บ, บ้านชาวเมืองเขาไหว้ชาว บ, บ้านชาวเมืองเขายกมือไหว้เ้าบูช า, าให้ข้าวกินเราไม่ใช่ครวตาธรรมดาต้องทําตัวให้ถูกต้องตอนนี้เราจะใช้ความภาคเพียงก็ต้องเพียนให้มันถูกจังหวะ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 ไม่น่าจะมีอะไรที่ใช้คำว่าไม่รู้เพราะเป็นเครื่องปฏิบัติ